ตอนที่39มสิบาังคังเถียมแวนเคนเควนชูหลิงหัวเราะด้วยความคำระคนระอาพางจ้องมองซองจดหมายในมือนี่คงเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษไม่รักดีถ้านั้นทิ้งเอาไว้ชูหลิงไม่ได้รีบร้อนเปิดจดหมายเขาเก็บกล่องไม้กลับเข้าช่องลับก่อนจากนั้นจึงกดอีกครั้งผนังกำแพงก็กลับมาปิดสนิทไร้รอยต่อดังเดิมชูหลิงลุกขึ้นชะโงกหน้าออกไปดูเห็นประตูตำหนักยังคงปิดสนิทอยู่หลังจัดเฝ้ามองอยู่ครู่หนึ่งเขาจึงกลับมานั่งลงที่เดิม เขาฉีกซองจดหมายสีเหลืองซีดออกแล้วหยิบกระดาษสองสาแผ่นข้างในออกมากระดาษนั้นขาวสะอาดตาดูเหมือนจะเป็นกระดาษที่ทําขึ้นเป็นพิเศษชูหลิงคลี่จดหมายออกสิ่งแรกที่ปรากฏแก่สายตาคือเจ้าลูกหลานไม่รักดีตระกูลฉูเจ้าเป็นฮ่องเต้รุ่นที่เท่าไหร่แล้วตาอาวีที่ข้าก่อตั้งขึ้นมาคงใกล้จะพังพินาศและใช่ไหมชูหลิงชะงักไปเล็กน้อยบทกลอนนาเช่นนี้เป็นสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงจริงๆ หากท่านรู้ว่าลูกหลานไม่รักดีในปากท่านผู้นี้ขึ้นครองราชในฐานบุตรอนุและเป็นจักรพรรดิองค์ที่สี่แห่งต้าอาวีท่านคงนอนไม่เป็นสุขในสุสานหลวงเป็นแน่ชูหลิงยิ้มบางๆแล้วอ่านต่อไปหากยังไม่พังพินาศเจ้าก็คงถูกรวบอำนาจจนกลายเป็นหุ่นเชิดไปแล้วละมังไม่ว่าอย่างไหนความหมายก็ไม่ต่างกันหรอกไม่อย่างนั้นในฐานะห้องเต้แห่งต้าอาวีเจ้าไม่มีทางมาที่ศาลเจ้าประจำตระกูลที่ข้าสร้างขึ้นแห่งนี้แน่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงช่องลับที่ซ่อนเร้นขนาดนี้นึกไม่ถึงว่าเจ้าจะหาจนเจอมองทะ ชูหลิงเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้อย่างยิ่งหากเขามีกลุ่มอำนาจล้นมือจริงๆเขาจะมาที่สารเจ้าประจำตระกูลแห่งนี้ได้อย่างไรไอเรื่องการสืบท่อสายเลือดเพื่อให้ตระกูลไม่ล่มสลายอะไรนั่นน่ะมันก็แค่คำลวงที่พวกสำนักต่างๆกุขึ้นมาหลอกคนทั้งนั้นรุ่นแรกยังผูกพันรุ่นสองยังเกี่ยวดองพอรุ่นสามรุ่นสก็แทบไม่รู้จักกันแล้วสายเลือดสายตรงยิงดีหน่อยที่พอจะจำกันได้มากกว่ารุ่นหนึ่งแต่พอผ่านไปหลายรุ่นเข้าความยำเกรงก็หายหมดจะให้มายเงปายญญญางาาวรรูรรรด ฮ่หขนาดข้าเองนอกจากจะคิดถึงพ่อแม่บ่อยๆกับคิดถึงปู่ย่าบ้างเป็นบางครั้งส่วนคนอื่นนะหรือข้านึกไม่ออกด้วยซ้าว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะให้คิดถึงยังไงใช่ป้าคิดเอาอย่างนั้นหรือชูหลิงอยากจะหัวเราะออกมาดังๆแต่เขาก็ต้องข่มใจไว้ทว่าในหัวของชูหลิงกลับจินตนาการถึงสีหน้าท่าทางของจักรพัทเทจูเกายวยามเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาได้ลางๆเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าในตอนที่เขียนจดหมายฉบับนี้จักรพัทเทจูเกามีความรู้สึกเช่นไร เข้าเรื่องกันดีกว่าไม่ว่าตาอาวีที่เจ้าลูกหลานไม่รักดีปกครองอยู่จะเป็นอย่างไรฮ่องเต้ที่ไม่สามารถกลุ่มอํานาจได้บ้านเมืองก็คงจะเกิดปัญหาขึ้นแล้วละ่ะข้าจะชี้ทางให้เจ้าสักสองสามทางอยู่ที่ว่าเจ้าจะเลือกอย่างไรเพราะข้าเองก็บงการเจ้าไม่ได้แล้ว ทางแรกก็คือสลระราชสมบัติให้ผู้มีความสามารถเสียเจ้าถูกรวบอํานาจก็คงไม่พ้นมีหงเห่าผู้ทรงอํานาจหลังม่านหรือมีขุนนางชดกุมบางเห็นราชสํานักวงเวียนอยู่แค่นี้และการที่เจ้ามาที่นี่ได้แสดงว่าเจ้าคงถูกความสิ้นหวังเข้าปกคลุมไม่อย่างนั้นคงเสเพลลืมมันลืมคืนไปแล้วไม่คิดอะไรทั้งนั้นเป็นฮ่องเต้ทรราชไปก็ดีเหมือนกันส่วนสละราชสมบัติแล้วจะรอดชีวิตใหม่นั่นก็สุดแล้วแต่ดวงของเจ้าแล้วชูหลิงลูกจมูกตัวเองพางข่มเสียงหัวเราะไว้เขาอ่านต่อไป พอยังมีแก่ใจอ่านต่ออีกหรืองไนข้าจะบอกทางที่สองให้แต่งตั้งแต่งตั้งให้ข้าหนั ก, ห, นกห้องเต้ที่ถูกร่วบอำนาจก็ยังเป็นห้องเตหงงงง้หากขุนนางโฉดกลุมอำนาจก็แต่งตั้งขุนนางโฉดหากองฮาหลังม่นนานกลุ่มอำนาจก็แต่งตั้งประกูลฝ่ายแม่มอบทุกอย่างที่มอบได้ให้ไปให้หมดด้วยวิธีนี้ระบบจาริตรกูลที่ข้าสร้งางไว้ให้ต้าอาวี๋ก็น่าจะถูกทําลายจนเยอยยับแล้วละ่ะวางแผนให้พินาธเพื่อหาทางรอดอย่างนั้นหรือชูหลิงเริ่มเกิดความสงสยัย เห็นได้ชัดว่าเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดจักรพรรดิที่จูเกาถึงชี้ทางเช่นนี้หากทําเช่นนั้นมีใช่ว่าจะตายเร็วขึ้นหรือหากเจ้าฉลาดสักหน่อยคงเดาได้ว่าทําแบบนี้จะตายเร็วขึ้นใช่ไหมก็แน่ล่ะสิเมื่อแต่งตั้งทุกอย่างให้ไปหมดแล้วไม่ว่าใครที่กลุมอํานาจย่อมต้องปรารถนาตําแหน่งสุดท้ายนั้นอย่างแน่นอนและอุปสรรคที่ขวางทางอยู่ก็คือตําแหน่งที่เขานั่งอยู่ซึ่งต้องหาทางกําจัดทิ้งเสีย ดังนั้นทางเดินของเจ้าจริงๆแล้วมีเพียงทางเดียวคือไม่ยอมทนก็ต้องหาทางเปลี่ยนแปลงในขณะที่ซ่อนตัวอยู่บ้างทีอาจจะพอมีโอกาสรอดบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะพ่ายแพ้และจุดจบของฮ่องเต้ที่พ่ายแพ้ก็มีเพียงอย่างเดียวชูหลิงขมวดคิ้วนี่คือสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ในตอนนี้หากแม้แต่ความอดทนยังทําไม่ได้แล้วจะเป็นฮ่องเต้แห่งต้าวิได้ยอย่างไรมิใช่ว่าเมื่อเป็นฮ่องเต้แล้วทุกอย่างจะเป็นไปตามใจปรารถนาได้เสมอไป ชีวิตคนเราส่วนมักไม่สมหวังเสีย8ปดส่วนมีเพียงหนึ่งสองส่วนเท่านั้นที่สมหวังและคนเรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะความสมหวังเพียงน้อยนิดนั้นไม่อย่างนั้นโลกมนุษย์นี้ก็คมขืนเกินไปจนยากจะแบกรับไหวหรือไม่ก็ฟังคําแนะนำของข้าทรีสละราชสมบัติเสียแต่เนิ่นเนิ่นเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องใหญ่ให้คนทั้งใต้ล่ารับรู้จากนี้ไปก็ไม่ต้องสนใจเรื่องภายนอกเป็นคนเสเพลใช้ชีวิตไปวันๆก็ดีเหมือนกัน คนเราตายไปก็ไม่เหลืออะไรแล้วแม้แต่ค่าที่ก่อตั้งตาอวีขึ้นมาเกรงว่าคนในใต้ล่าที่จดจำค่าได้จริงๆก็คงมีเพียงน้อยนิดดังคนเฟื่องหัวงมนุษย์เรานะั้ไม่มีใครที่ไม่เปลี่ยนไปหลอกเงินไม่กี่ตำลึงอาจจะดูแคลนแต่ถ้าเป็นร้อยตำลึงละ่ะพันตำลึงละ่ะหมื่นตำลึงละ่ะหรือมากกว่านั้นแม้แต่เงินทองที่เป็นของนอกกายพวกนี้หากมีคนควบคุมใจไว้ได้จริงๆแล้วเรื่องอื่นละ่ะ อำนาจสตรีชื่อเสียงลูกหลานมันต้องมีสักตว์อย่างที่ยึดเหนี่ยวไว้ได้บ้างแหละหากยังไม่มีอีกงั้นก็จบกันใต้ล่านี้คงมีนักบุญอุบัติขึ้นมาจริงๆแล้วละ่ะฮ่าฮ่าชูหลิงยิ้มออกมาแม้จะไม่มีเสียงแต่เขาก็ยิ้มจริงๆสิ่งที่จักรพรรดิให้จูกรกล่าวมาแม้จะดูขวานผ่าซ่าไปบ้างแต่ความจริงก็ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นในโลกนี้มีนักบุญจริงๆหรือผู้ที่ไม่ถูกพันธนาการด้วยกฎเกณฑ์และกิเลส ข, ของโลกคราวาดเกรงว่าคงไม่มีหรอก คนแก่แล้วก็มักจะพูดมากไปหน่อยเอาเป็นว่าทางของข้าก็มีเท่านี้จะเลือกหรือไม่เลือกอยู่ที่เจ้าจะเลือกอย่างไรก็อยู่ที่เจ้าเจ้าคงไม่หวังให้กองกระดูกในสุสานหลวงมาช่วยคิดวิธีแก้ปัญหาที่เจ้าเผชิญอยู่หรอกนะคะไม่มีความสามารถขนาดนั้นหรอกมนุษย์เรา น, น, นอกจากพึ่งพาตัวเองแล้วพึ่งใครก็พึ่งไม่ได้สิ่งเดียวที่พึ่งพาได้คืออำนาจและเงินทองในเมื่อ อ, อำนาจหายไปแล้วข้าจะมอบเงินทองให้เจ้าสักหน่อยถือเป็นสิ่งเดียวที่ข้าจะมอบให้เจ้าได้ ก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกข้าให้คนขุดภูเขาจนกรวงเพื่อเก็บทองเงินและอัญมณีไว้มากมายเพื่อคลังสมบัตินี้ข้าถึงกับต้องสังหารคนไปหลายหมื่นเพื่อปิดปากนี้กับนี้ข้าขอรับไว้เองส่วนหลังจากที่เจ้าได้คลังสมบัตินี้ไปแล้วเจ้าจะเอาไปซื้อใจคนจะเอาไปจ้างทหารเดนตายหรือจะเอาไปใช้ชีวิตเซเพเลยก็สุดแล้วแต่เจ้าจะเลือกเถอดจบแค่นี้แหละเจ้าลูกหลานไม่รักดีชูหลิงมองดูรอยหมึกที่เลอะเป็นจุดที่ตอนท้ายจดหมายเขาสัมผัสได้ถึงความจนใจในส่วนลึกของจักรพรรดิเทจู่เกายามเขียนจดหมายฉบับนี้เกรงว่าท่่่าาาานนคคงงงงจะวรู้ออตบย ในทุกบรรทัดของจดหมายฉบับนี้จักรพรรดิใหจู่เกามองเห็นความเป็นมนุษย์อย่างทะลุปลุปรลงและมีความไม่ไว้วางใจในตัวมนุษย์อย่างลึกซึ้งถึงกระดูกบางทีอาจเป็นเพราะเป็นห้องเต้มานานเกินไปได้ล่วงรู้ความลับที่คนทั่วไปไม่รู้จึงเกิดปฏิกิริยาทางจิตใจเช่นนี้ชูหลิงพลิกไปหน้าสุดท้ายเมื่อเห็นแผนที่คลังสมบัติดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นทันทีเขาคาดไม่ถึงเลยว่าคลังสมบัตินี้จะอยู่ที่นี่และอยู่ใกล้กับอวีตูถึงเพียงนี้ ฝ่าบาทท่านต้องถนอมพระวรกายด้วยนพยะขะพักผ่อนสักครู่แล้วค่อยทำความสะอาดสารเจ้าประจำตระกูลต่อเถิดในตอนนั้นเองเสียงของหลี่จงก็ดังขึ้นมาจากนอกตําหนักทําให้ชูหลิงตื่นตัวขึ้นมาทันทีถ้ารู้แล้ว ชูหลิงตอบกลับไปเขาพับจดหมายพร้อมกับแผนที่คลังสมบัติเก็บเข้าซองจดหมายอย่างรวดเร็วเขามองผนังที่ปีติสนิทชูหลิงไม่ลังเลยื่นมือไปกดอีกครั้งก้อนอิดถูกเลื่อนออกเขาใส่ซองจดหมายเข้าไปข้างในของสิ่งนี้เขายังเอาไปตอนนี้ไม่ได้แต่ในขณะที่กําลังจะวางคืนที่เดิมชูหลิงกลับขมวดคิ้วแล้วหยิบมันออกใหม่อีกครั้งพร้อมกับกล่องไม้ชูหลิงรู้ดีว่าเมื่อเขาออกจากศาลเจ้าประจําตระกูลจะต้องมีคนเข้ามาตรวจค้นที่นี่อย่างแน่นอนแม้ช่องลับนี้จะซ่อนเร้นเพียงใดแต่หากมีคนหาจนเจอเล่า ซองจดหมายนี้ถูกเขาแกะออกแล้วหากมีคนพบเขาไม่ว่าจะถูกส่งไปถึงมือใครในสามคนนั้นจุดจบของเขาก็คงไม่สวยแน่แต่หากไม่มีอะไรเลยก็ยังพอมีหนทางให้ประนีประนอมได้เพียงแต่เขาจะนำกล่องไม้ติดตัวออกไปได้อย่างไรโดยไม่ให้คนติดตามเหล่านี้สังเกตเห็นความผิดปกติชูหลิงพันนึกถึงเสื้อคลุมของตนเองขึ้นมา